ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่แต่มลระโพธติญาณได้นำเสนอข้อความที่พระพู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งเล่าแก่พระสงฆ์ในสมัยที่สุบาเ็นเพียนก่อนที่จะสัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณหมายความว่าคงเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะ ขึ้นไปประทับอยู่ณภายใต้ต้นอสัตะพฤกหรือที่เรียกว่าต้นโพในตอนหลังยังไงว่าทรงกระทำอะไรก่อนหลังนั้นบาลีไม่ได้บอกไว้ข้อความที่ขึ้นมาแต่ละสูตรนั้นใช้ความเือนกันในะสุตตอไปนั้น ทรงแสดงไว้ในทเวทาวิตตประสูตรคือประสูตรที่ว่าด้วยวิตกสองประการคือทางแห่งวิตกสองกลุ่มนะครับวิตกก็คืออาการเหนียวนึกศึกนึกซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลพระพุาธเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกก็เรียกว่ากุศลวิจุกคือความสึกนึกด้วยความฉลาดด้วยสึกนึกของผู้ฉลาดหรือ ว, ว่าสึกนึกแล้วก็ทําให้กลายเป็นคนฉลาดโดยจะแบ่งออกเป็นสามข้อด้วยกันก็ที่จริงตามโครงสร้างของความไม่โลภไม่กดไม่หลงนั่นแหละแต่ว่าก็ทรงเรียกอีกแนวหนึ่ง ข้อแรกขอแรกเรียกว่าเนคขมะวิตกคือสึกนึกเหนียวนึกด้วยนาฏความปรารถนาที่จะนำจิตกายจิตของตนออกไปจากการรมก็ใล้ายๆกับความคิดของพระโพธิสัตว์ในตอนที่เป็นคนแก่คนเจ็บคนตายหรือว่าในช่วงต่างๆเราก็เป็นจุดประกายของความคิด ที่จะไปแสวงหาชีวิตประเภทสมณะซึ่งเราเห็นในช่วงที่สองคำมันได้คำ น, นั้นแปลว่าการออกแต่พอมาถึงเราพูดถึงพระพุทธเจ้าเราเรียกว่ามหาพิเทศกมุมหมายถึงการเสด็จออกเพื่อกุนอันยิ่งใหญ่ก็คือการสัสรูอนุตรัสสมาสิโพธิาน สมับพวกเราทั่วไปท่านก็เรียกธรรมดาว่าเนื้คอความวิจุตคือสึกนึกเหนียวนึกที่จะออกจากกาลมิทีชีวิตของบุคคลมันก็ในกรณีนี้ทรงแสดงออกเป็นสามกลุ่มเป็นสี่กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มแรกนั้นกายก็ไม่ออกใจก็ไม่ออกหมายความว่ากายก็คลิกคุ้มคียู่ในกาลมะขุณ ใจก็หมกมุ่นอยู่ด้กามมาคุณตัวนี้ไม่คิดหรอกฮะที่จะดึงกายดึงจิตตนออกไปจากการรมประเภทที่สองนั้นกายออกแต่ว่าจิตไม่ออกก็จะออกเป็นเป็นนักบวชเป็นภิกษุเป็นสามเณร เ, เป็นแม่ชีเป็นอะไรก็ตามโดยโครงสร้างโดยรูปแบบแล้วไม่ใช่พูดเสพกามแต่ว่าจิตใจอาจจะยังไม่ออก อาจจะเนียวนึกตึกนึกมีความกําหนดด้วยความกําหนัดในอารมณ์ทั้งหลายอยู่ก็ได้สี่สานวนบาลีท่านเรียกว่าเมตุนทั้งโยกคือความคิดจิตใจยังเกี่ยวเกาะอยู่ด้วยเรื่องกลางเพศเรื่องของเมตุนธรรมทั้งหลายแต่อย่างนี้ก็ถือว่ากายออกแต่ว่าใจไม่ออกประเภทที่สามนั้น ได้ออกแต่ว่ากายไม่ออกก็หมายความว่าใจในคิดหน่ายในพวกกรรมคุณทั้งหลายและในขณะที่ร่างกายโอหคงอยู่ครอบเรืองครอบครองบ้านเรือนอยู่นั่นเองปุงนี้ในภาคสนามจริงๆถ้าการเรวิจริงๆสามารถพัฒนาตัวเองไปถึงพระเจบคุคุลระดับพระนาคามีซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องในเรื่องเพศ แต่ว่าบางท่านก็อยู่คลองเรือนนะฮะก็เป็นชาวบ้านมีลักษณะใกล้ๆก็เรียกคารวาดสมุนีคือนัก บ, บวชอยู่ภายในบ้านประเพทีสามนั้นออกทั้งกายทั้งจิตก็ได้แก่พระรยบุคคลทั้งหลายแต่ถ้าเรานับจากการละกิเลสการได้เนี่ยมันต้องนับจากพระนาคามีกับพาา่าลรหันเทนันเพราะว่า อีกสองประเภทประยะบุคคลอีกสองประเภทนั้นละกามราคะยังไม่ได้แต่ว่าในที่นี้หมายถึงระดับความคิดเฉยๆหมายความว่าคิดมองเห็นโทษเทเรกวาการมณีนบก็คือโทษแห่งกามอีกประการหนึ่งเขาเรียกอัปยาปาดาวิตกคือการเหนียวนึกตรึกนึกด้วยอํานาจความเมตตากรุณาความเมตาาามมตาต่อคนทั้งหลาย อาจจะมีคนทำให้ไม่พอใจไม่ชอบใจโรกรธเกลียดอะไรก็ตามแต่ว่าก็ไม่ถือสาความอะไรกศาดความรู้สึกจองเวนต่างๆออกไปพ็ทำปกติแล้วถ้าหากว่าใจไม่สงบ ด, ด้วยพลังของเมตตาแล้วใจก็จะทายออกไปในแนวอาคตาิพยาบาทประการที่สามอวิหิงสาวิตก คือเนียวนึกตึกนึกด้วยความการุณาต่อสรรพสัตว์ตรงนี้ที่จริงคือเมตตาการุณานะฮะก็แสดงว่าเป็นความไม่โลภเป็นความเมตตาเป็นความการุณา ถ, าถามว่าเป็นผลมาจากอะไรก็บอกผลก็ฐานศินภาวนาหรือผลของศินสมาธิปัญญาก็ได้นะฮะแล้วแต่ใครจะเรีย ก็เป็นเหตุให้ภายในจิตใจของท่านมีความสะอาดมีความสงบเย็นแล้วก็มีเหตุผลสติปัญญาในการมองในการคิดสิ่งต่งางๆควรจะไม่คิดในการเบียดเบียนการเบียดเบียนกับการพยาบาทเนี่ยมันต่างกันเบียดเบียนเนี่ยมันเป็นธาตุอยู่ภายในเป็นวิหิงสาธาตุภายในใจของคนชอบความรุนแรงชอบการประทุษร้ายการชอบดูกีฬาที่ฮาลุโขทั้งหลายเนี่ย คนที่ตนคิดเบียดเบียนนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรให้เราหรอกแต่เราอยากเห็นความพิบัติความแตกแยกรถชนกันคนทะเลาะกันไฟไหม้ แ, แผ่นดินถล่มอะไรต่อไรเนี่ยฮะมันชอบดูรู้สึกว่าสะใจดีหรืออะไรเนี่ยแม้แต่ไปดูมวยลองสังเกตว่ามันเป็นอาการของผู้หญิงสานีีอยู่เยอะตรงนี้จะไม่คิดแล้วจะไม่ดูเพราะไม่รู้ดูก็ทำไม ดูแล้วก็สงสารเขาแเราก็แก้ไขปัญหาไม่ได้อีด้านหนึ่งก็เป็นอกุศลมิตรกคือตึกนึกด้วยความโง่ความไม่ฉลาดแล้วเป็นแนวนึกตึกนึกข้าวมันก็มีปัญหาก็คือนแนวความคิดตรงกันข้ามด้วยแรงของราคะหรือโลภะเนี่ยก็เป็นการมิตกตึกนึกด้วยอำนาจของความใคร่ต่อสิ่งที่ตนใคร่ อาจจะเป็นคนอาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นสิ่งหรือลาบยศสรนสนสุสก็าตามคนเดียวนึกด้วยปรารถนาจะได้จะมีจะเป็นจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของครอบครอ ง, องสิ่งเหล่านั้นจิตใจก็จะวิ่งพรั่นไปในอารมณ์ทั้งหลายมันเหมือนกับคนที่เดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าไอ้นั่นก็ชอบอ้นั่นก็ชอบไปโน่นก็ชอบตามมันก็สายไปเรื่อยๆใจมันก็กำหนดโดยหน้าความคลายไปเรื่อยๆ แต่ว่าการตึงนึกนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีอารมณ์มายั่วก็ได้นะครับเพราะว่าภายในใจก็ค้างสต๊อกอยู่เยอะคือลักษณะวความคิดในแนวตรงนี้มันหาเรื่องคิดก็ยกสังกับปราโคเนี่ยความดำริด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่เราคลาย่อคิดถึงคันหนึ่งหาอะไรห้อยหาอะไรให้เราสังเกตว่า บางทีก็คิดถึงสิ่งเหล่า น, นั้นในอนาคตในอดีตนะฮะที่ผ่านมาแล้วในจีตเป็นลักษณะของการโหยหาอะไรบางทีก็คิดคิดก่วยคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นในอนาคตอนาคตใกล้ๆบางทีก็กำลัดเพื่อเพลิอนอยู่ด้วยเรื่องปัจจุบันบางทีก็ฝันรลางวันไปเลยนะฮะถ้าคิดเพลินๆมากไปก็คิดเพ้อไปเรื่อยก็ฝันกลางวันไปเลย บางทีบันทีอารมณ์ยั่วมันก็เหมือนกับเรื่องตลกตลกเช่นทศ ก, กัณฐ์นะฮะแกเคลือบเคลิ้มตอนนางสามณักขาพัฒนาความสวยงามของนางสีดาจนเคลือบเคลิ้มนึนกว่าน้องสาวซึ่งเป็นยักษ์นะฮะเป็นนางสีดาหรือว่าตอนนางเป็นจญกายซึ่งเป็นลูกสาวของพิเภกที่ลุงให้ปลอมตัวเป็นนางสีดาตายลอยน้า พอนางสีดาพะนามเป็นากายปรองไปจริงไปเหมือนกันาดสีดาเข้าเลยลงลืมตัวเลยลงไปเกี้ยวเลยนั่นก็แสดงให้เห็นด้วว่าผมบันจึกนึกแล้วเนี่ยมันมีลักษณะของตาหาลามืดอะ่ะคือผลสติบัญญาปัญหายไปการบันึกนึกตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของโลกียชนแต่ว่าทำยังไงละ่ะถึงจะบรรเทาได้ จากการสังเกตในตอนต้นๆครเจ้ญญาจะสอนรูปของการบัดเทินเพราะว่าจิตมันไปเก็บไว้เยอะพวกเหลเนี้ยมันมีกามาธาตุมีกามสัญญามันมีการ ม, าา ม, ม, ารมาสัญกับปะอยู่ภายในใจกามาธาตุก็คือเชื้อของกรรมการาสัญญาก็การกําหนดว่าสิ่งนี้น่าใคร่แล้วกามาสัญกับปะก็เนี่ยวนึกสึกนึกเดือดหน้าของความใคร่มันก็มีอยู่มาก กระวการต่อไปนั้นก็คือพยาบาทแต่สังกัปดปะคือเหนียวนึกตรุ่นึกเบื่อมากของความอาฆาตพยาบาทในความอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันก็แล้วแต่คุณภาพจิตของคนนะคนบางคนคุณภา พ, ภาพจิตดําแย่เราลองสังเกตนะบางทีฝนตกเราก็ด่าแดดออกก็ดานะ่าเดินสะดุดต้อนอิฐก้อนหินก็โกรกก้อนอีกก้อนหินยังแสดงว่าจิตใจไม่ปกติใจเมืองกับคนที่มีแผล ที่นี้เมื่อใครทาให้แกไม่ชอบใจหรือบางทีเนี่ยมันเป็นอาการของผ่านที่ทรงแสดงอาคาตวัตถุคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตไว้เก้าประการด้วยกันรลบเหตุเรื่องราวต่างๆในอดีตเนี่ยสามว่าคนนี้ได้ เคยทําอันตรายต่อเราคนนี้ได้เคยอันตรายทําอันตรายแก่ญาติพีองเราคนนี้เคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตรอศัตรูเราเดี๋ยวแมทําดีก็พยาบาทนะฮะทําไม่ดีก็พยาบาทมันเป็นกระบวนการทางจิตที่เขาเรียกว่าความโกรธที่เกิดจากความโกรธความโกรธที่เกิดจากความรักเพราะวาเวลาเขาไปทําอะไรกับคนที่เรารักเราก็พยาบาทได้ หรืทํากับเราเราก็พยาบามได้หรือทําความดีกับคนที่เราเกลียดก็พยาบามได้ทั้งนั้นแหละเพราะใจคนมันเป็นผ่านประการต่อไปก็ไปกําหนดเอาว่าคนนี้กําลังทําอันตรายต่อเรากําลังทําอันตรายร่อญาติพี่น้องของเรากําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสสุรุกก็กรัวเขาอีกอะแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือพวกแนวข่าปิดปากคือว่าที่จริงเขาจะทํำรู้ไม่ทํำเราก็ไม่รู้หรอก มันเป็นเรื่องอนาคตแนวค่าปิดปากเป็นแนวที่ว่าต้องการจะปกปิดความผิดของตัวเองแล้วก็กป้องความผิดแต่แก่ตัวเองคิดว่าต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราเขาเป็นหรือไม่เป็นก็าอาจจะตายไปก่อนก็ได้เราอาจจะตายไปก่อนก็ได้เราไม่รู้หรอกแต่ว่าไปสันนิฐานไว้ด้วยความคิดคือกิเลสเนี่ยมันเป็ความคิดแนวผดเด็จ ก, การว่าเองเออเองเลยนะแล้วก็ คิดว่าต่อไปเนี่ยคนเหล่านี้อาจจะเป็นอันตราตรยตัวญาติพี่น้องของเราหรือว่าต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์คือคุณตัวสูส้รเราแล้วก็กลัวขาดปัจจยาบาตก็คิดฆ่าแต่ตัว น, นี้ระดับความคิดนะฮะยังไม่ถึงลงมือถ้าลงมือได้โปรดสังเกตนะฮะถ้าลงมือทําไปตามมรณากรามก็ดีถาวหน้าของความปัจจับาติก็ดีทําไปตามความเบียดเบียนก็ดีถือว่าเป็นทุจริตทางกายกับทางวาจา แต่พูดก็เป็นกายอ่าเป็นวจีทุจริตถ้าทำก็เป็นกายทุจริตตอนนี้มันเป็นมโนทุจริตคืนเป็นระดับความคิดเฉยๆแล้การต่อไปก็เรียกวิหิงสาวิตรคือตรึกนึกด้วยความคิดในทํานองเบียดเบียนถ้าท่านพรลองสังเกตว่าจิตใจเราบางทีเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอ่ะนหน้าไปก็เห็นรถมันวิ่งแสงบู๊บป้าบป้วาวก็อยากมันชนกันเนอยากดูเฉยๆ หรือบนงทีคนเขาถกเถียงกันก็อยากให้ดูเขาต่อยกันแล้วถามเราได้อะไรไหมได้ดูเฉยๆคือใจมันไม่ค่อยปกติชอบดูความปิบัิเดือดร้อนพวกสารวิปัจจุบันก็ได้อะไรพกสาสดตด ท, ทั้งหลายนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่ว่ายอบชอบดูอยากดูแล้วถ้าได้ดูแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่า มันค่อนคลายความตึงเครียดภายในจิตใจออกไปพระเจ้าก็ทรงเดี๋ยวนึกตึกนึกถึงเรื่องเหล่านี้ข้อความรับสั่งคือโครงสร้างเดียวกันนะฮะว่าพิสูจทั้งหลายครั้งก่อนแต่การจัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้จัดสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แต่เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาว่าเราพึงทําให้ตกทั้งหลายให้เป็นสองส่วนเถิด สูจทั้งหลายเราได้ทําการวิตกพยาบาทวิตกวิงสาวิตกสามอย่างนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ทําได้องคำวาวิตกอัพยาบาทวิตกกวิงสาวิตกสามอย่างนี้ให้เป็นอีกส่วนหนึ่งคือแยกวิตกออกไปเป็นสองฝ่ายคือโดยธรรมชาติมันก็แยกแล้วนะฮะแต่ว่าความคิดเราเนี่ยมันมันคิดมั่วไปหมดบางทีในคนคนเดียวนั่นเองก็มีทั้งอาการรักอาการชัง มีอาการของพยาบาทและมีอาการของเมตตาเพราะนั้นก็ทรงแยกแยกออกไปให้ชัดเจนและในที่สุดก็รับสั่งว่าเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนทรงไปอยู่อย่างนี้การมไม่ตกเกิดขึ้นก็รู้ชัดแต่นี้ว่าการมไม่ตกเกิดขึ้นแล้วแกเราการมไม่ตกเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสงฝ่ายบ้าง เพื่อเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นฝักค่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพร้อมเพื่อนิาพานพิสูจนทั้งหลายเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้กามิตกย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้พิสูจทั้งหลายเราได้ละและบรรเทากามิตกอันเกิดขึ้นแล้วและบังเกิดขึ้นแล้วทำให้สิ้นสุดได้แล้วแล้วก็รับสั่งเรื่อยมาทุกข้อ น, นะนะ คือประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าธรรมะเนี่ยจะจะจับหลักอยู่สามข้อความไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้ความไม่ประมาทก็คือการอยู่ยะงมีสติความเพียรก็คือความเพียรมีตนส่งไปก็คือฟีความมุ่งมั่นอย่างมีปัญญาข้อกํากับคือมองไปข้างหน้าแล้วก็คาดหวังผลที่จะได้จะสัมผัสในข้างหน้า เราเห็นว่าในชุดของความคิดเนี่ยมันเบียดเบียนเราเองแต่ว่าถ้าขืนทําออกไปพูดออกไปมันจะเบียดเบียนตนเองแล้วเบียดเบียนบุคคลอื่นก็แสดงว่าถูกเบียดเบียนทั้งสองข่ายลองสังเกตว่าถ้าออกมาในรูปของการฆ่าสัตว์เห็นไหมเบียดเบียนทั้งสองข่ายรัดทรับเบียดเบียนทั้งสองข่ายประวิทย์ปิดในการเบียดเบียนทั้งสองข่ายพูดเท็จเบียดเบียนทั้งสองข่ายเสพสิ่งเสพติดคล้ายๆจะเบียดเบียนเฉพาะเรา แต่จริงแล้วมันไปเบียดเบียนต่อทรัพย์ของเราของครอบครัวถ้ามีคู่ครองก็ไปเบียดเบียนคู่ครองยดเบียนสุขภาพภราใหามของตัวเองตอนั้แนวศีลทั้งห้าข้อเนี่ยมันจึงเป็นแนวสากลและสากลมากที่สุดก็คือสี่ข้อแต่ข้อที่ห้าไม่แน่คือบางศาสนาเขาก็ใช้ประกอบพิธีกรรมในทางศาสนาของเขาแต่ว่า 4ข้อนั้นแน่นอนคือเป็นความผิดทสากลก็แสดงว่าใข่แปลกสำข้าก็เป็นการเปียดเปียนนั่นตนเองและก็เบียดเปี่ยนทั้งบุคคลอื่นทีนี้เมื่อมองหินโทษได้อย่างนี้จะมองเพียงอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะบอกมันจะดับปัญญาเราด้วยนะให้ลองสังเกตว่าเวลากรมมกามมันเกิดขึ้นเนี่ยเอาจะดูกรมมันตัณหาก็ได้นะกรมมันตัณหานั้นแสดงว่าครอบงาใจแรง มันเหมือนกับเรื่องที่เราเรียนในสมัยเป็นเด็กที่ท่านบอกว่าความรักเหมือนโรคาปันดาลตายมืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคนใดๆความรักเหมือนโครศัพท์กำลังคึกพี่ขังไว้ก็จะออกจากข้อไปไปยอมอยู่ในะที่ขังไม่มีเหตุผลนะครับน้ำมืดตาลายแล้วก็จะทําลายสติปัญญาตัวเองที่เขาเล่าถึง นกยูงพระวพธิสัตว์สาธยายคาถาทุกวันนายพรานมาพยายามจะจับดักบวงโดวยวิธีการต่างๆเนี่ยรอดปลอดภัยมาตลอดจนในสุดเขาก็แนะนำบอกว่าให้เอานกยูงตัวเมียไปร้องส่งเสียงดังส่งเสียงจะก่อนเธอจะสาธยายหมดก็ปรากฏว่านกยูงตัวเมียร้องนี่ลืมเลยนะฮะ ไปสนใจในเสียงเลยไม่ได้สาทยายแล้วก็เดินตามเสียงล่เขอกไปในบริเวณที่ก็ดักไว้ตอนไหนยังไม่รู้ตัวเลยแล้วเสร็จแล้วก็ถูกจับได้สัตว์าบางครั้งถูกฆ่าแต่เขาเล่าถึงเสือตัวหนึ่งเกิดไปพอใจในมาหรืโคนี่หรืออะไรนะฮะต่ว่าสัตว์สองยันเนี่ย ก็มาเลียทุกคืนเลียตัวเมียเนี่ยุกขคืนสัตว์มันก็กลัวไม่กล้ากินอาหารในสุดเขาก็ใช้น้ำตาลเนี่ยไปทาทาตัวเลียเพลินไปเลยก็ใส่พิษนะฮะมียาพิษปนในสุดก็ตายเป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเหล่านี้มันจะทำลายเหตุผลสติปัญญาของคน แล้วก็เป็นฝักฝ่ายของความขับแค้นปัญหาต่างๆจะตามอีกเยอะเลยการครอบครองเป็นเจ้าข้าเจ้าของอะไรสักอย่างนึงยุ่งทันทีเดยิ่งครอบครองสิ่งที่มีชีวิต <S <'s เป็นเจ้าข้าเจ้าของสิ่งมีชีวิตซึ่งมันดิ้นได้เนี่ยมันมีความคิดความเห็นมีความเป็นตัวคนตัวเองแล้วจะบริหารจัดการอยู่ร่วมก็โดยปกติสุขนี่เรียกว่ายิ่งกว่าปีนบันไดสวรรค์ทีเดี มันตน์จึงจมองว่ามันจะเหวี่ยงเราออกไปสู่ทุกข์ขัดสนนะฮะแทนที่จะไปนิโรธศัตน์มันออกไปทางหนึ่งท่ทางที่ว่าเดินอยู่บนความไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างเนี้แตะใจไปเหนี่ยวนึกด้วยอำนาจของกามก็ดีพยาบาทก็ดีวิงสาวกว็าดีและในที่สุดเนี่ย ใจก็จะเหวี่ยงออกไปสู่กระแสกิเลสเหล่านั้นเราก็นาความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆมาให้ประการที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามองเห็นพวกเรานี้เป็นโทษได้ต้องมองเห็นเป็นโทษได้ก่อนถ้ายังมองไม่เห็นเป็นโทษแล้วจะยากต่อการปรบืออบรมหรือบรรเทาหรือลดหรือป้องกัน คือพวกเหล่านี้มันบางอย่างก็ป้องกอันเสียบางอย่างก็บันเทาบางอย่างก็ละก็แล้วแต่ทํายังไงว่าอย่าให้มันเกิดความรุนแรงพวกกามมิตรตกทั้งหลายเนี่ยพวกไม่ใช่พวกอกุศลมิตรตกทั้งหลายเนี่ยทั้งสามอย่างนั่นแหละทั้งความทั้งกามทั้งปยาบาททั้งความเหยียดเบียนมองเห็นโทษชัดเจนก็เรียกว่ามองเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วเพียรพยายามลดละบันเทา วันโรงเองก็พิจารณาอยู่อย่างนี้พิจารณาไปแล้วในที่สุดพวกนี้ก็ถูกบังเถาบังเกิดแล้วบังเกิดอีกบังเกิดแล้วก็บังเทาบังเกิดก็บังเทาบังเกิดก็บังเถาเขาเล่าถึงสงครามในอินเดียนะฮะมันมีสร้างเมืองกันเป็นภูเขามีทหารม า, 500ราห้าร้อยคนนะราชานําทหารห้าคนนั่นเอง ข่าทหารฝ่ายห้าร้อยตายเกินเลยเพราะอะไรเพราะทางขึ้นเมืองเนี่ยมันขึ้นได้ทีละคนพอโผหัวมันก็เปลี่ยนกันทุบหัวเท่านั้นเนองอานห้าคนก็เปลี่ยนกันคนหนึ่งเมื่อก็ทุบตัวคนหนึ่งเมื่อก็พักคนหนึ่งก็ทุบต่อก็ถูกฆ่าตายไปเยอะนี่ก็คือวิธีการที่ดูมันน่ะดูมันที่จิตอันนี้มึงก็ดูที่ช่องซึ่งซึ่งโผล่หัวขึ้นมาเนี่ยก็ดูเฉพาะตรงนั้น อ้กิเลสที่มันเกิดขึ้นไปจิตเราก็ดูที่จิตมันแล้วก็มองเห็นโทษชัดเจนสติสัมปจนความเพียดนั้นเป็นเครื่องมืออย่างสําคัญในการตามรู้จิตเดี๋ก็รู้จิตในสุดก็สรงบันเท่าจะได้นะแต่ว่าตอนที่สัจจรู้นั้นก็ทําลายได้หมดต้องฟังทั้งหลายแต่รลวงพทยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเนึ่งเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญเมตต์งามไพลบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี